โอ้ฟังเอ๋ยฟังอฟังเอ๋ยฟังฟังเอาเลืองนั้งขมหอมจาเดินปานเซอแอนนั่งอาเลสานั่งขมหอมไม่เจอไว้สะเดนเลืองโออ ให้ทานฟังเด้าคุณยายอ๋ออินอ๋องอ๋อเอ๋ออ๋ออ๋อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋อ เหลือบัดนี่จักกาพายส์สร้างกุสโลโ ต, โตใหญ่รือพอดึงพญาภัยเก่นกาบวดงขาดอกอยู่สองเป็นพญามู่เจ้าโตอาดโอ้ภัยสารพี่แลว้วยาได้หิมาพันเฉียวสิหนึ่งเดียวดอกข้องตุ่มบ่อเลวันมาหุ่มสุมแสงสัง่าพันลานบอไบเอไลายลุนยกเกือนดอน โคตรตาสัตบอหอนในอาเด็ดเดือตอนหลังคุณแล้วเทียละครั้งองสุขสิยูกินเดือขันแห่งไม่ยังเม่บดทสิได้สิได้ห้อยดอกน้ำแซ่โอ้เป็นตาหน้าเงือแท้ผู้กินอามิ่งยูห้อยนั่งนั่นได้ลูกน้อย นั่งนั่นซื้อสีดาพูนแล้วนา่งผมหอมตามหาอีพ่อต้นกาจนพอมเดินทะรอนทอนท่อตามหาหอยอมเนสร้างใหญ่แม่นางสารกระดุมให้ตัยใบนั้นเหม็นหอยนางผมหอมอ้อนหน่อยเอาแทกงางนัวตามต็ดพูงแล้วปะมานสองปีเต็มจังคอยมาเห็นเจอ ผาญนาเขตเท้าบนบาทร้องเสียงขันแม่นอุขขาภพาลาเรียงดอกปอนเป็นให้นา่งขึ้นไตเต็นหงวงหอดทางสุดฟุ่งแลือแต่บรด น, นี้ตกสิเท้าตายแต่ปางนั้นส่วนว่าผมหอมเอื้อยสิทำเนวไดกกะบอยมนององอ๋งออง๋ออ๋ออ๋ออ๋อ มาคำออ้อเมียบดได้อยู่สอนนอนจริงกล่อมพไหมแต่ว่าลูกผัดไต้บุปผาศาสโนอไผยเห็ดพูนแหลวพอเอานางผมหอมสิียน้องน้ำแหลวได้กลุกห้องแกวหลังดีให้ลูกยักับเวทยันยันบ่อวนไผยส่าง มาสังเกตกรมีแวนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโอ้าอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้เโอายโ่้ยโอยอยู่้ยโอ้ยโอ้ยโอยโออยยย นั่งผมหอมผูหู่พอแพ่งหักปานตาแพ่งเอ้ยแต่ว่านั่งรุ่นนี้หักเทาวตายแต่นั่นแล้วเหลือแต่ผมหอมแก้วเน่าป่างหลังใยพญาสร้างคอได้ทำให้ตกแต่งห้องผมหอมผมหอมเอ้ยผมหอมมาหาพอในลูกหละเป็นข่างไม่ให้พอดมเป็นผมไม่ให้พอเก่าพอเก่าแล้วพอสิเราล่าไปแพ่งเอ้ย หากินหยาอยู่หนองหลวงนำหมูให้ผมหอมผูหูค้องถ่าพออยู่ห้องนี่เด้อขั้นเมนสามเดือนได้ซิมาหาลูกเถื่อหนึ่งอันว่าโองเขตนี่ไพ้ตองหักบอมีดอกลูกลาสัตสาว่าสิ่งสู้โตเป็นมูเจ้าเมิดนั่นละลูกเอ้ยพวกมูกินนาลีนาลอนปักษีปักษาขันอาสาหาอาหารสูกินบ่อให้อึดให้อยากดอกลูกเอ้ย ลงมาหาพอเนมมหาพอในลูกหล้าพอสิไปแล้วเือหนีสีฉเฉลียวหน่อยนางผมหอมแม่นโลกตาลูกพญาพอสั่งหันข้างให้พอดม์ใยผมหอมให้พอเก้ามวยเกตเกสาหอมก็ดวกมาลา กินกระจ่วงจันท่จนวสัสสสาหูในผู้บินแซวเป็นแซลแซลตื่นท่วงแลงเสาดอกมันทวงอยู่ในห้องใ่กว่างสั่งป่ามาเห็ดนาหลายปีสำเร็จแกนสินซาลึงเป็นสาวเต็มโตตึงคนเดียว สิไปกินยาสามเดือนจังสิตาวาหรือให้ผมหอมลูกสร้างหันขคางหายพอส้มวติเมือ่อเป็นอย่างดอกพอผมหอมหักพอสิค่อยพออยู่ห้องเตกาสันหลังพ่วงอยู่ค่อยพีละพอเออลูกหล่าทูดหัวของพอเลยพอจะได้จากลูกไปละเด้อบันิพอสิสั่งเด้อ เลี้ยวบัดนี้ฟังการผมหอมอั่งอ๋อยอ๋อยอยอยบัดนี้ถึงข้าวแล้วพยาญสาลสิออกปากเขาเอยสิขอลาลูกน่อยจอมซอยให้อยู่ห้อง ทัานสามเลื่อนพ้าสโคงสั่งใหญ่สิเืนินาผานา่งขมอมอ่ำค้างอ่ำค้างให้อยู่คอยบิดาเจ้าอมเนียวจินอาหารเข้าผลผลานดนสูุยางให้เสียนามูสังหาไว้กูสูแนว ม, มีจดครอบเครื่องแล้วบ่อริพกของมนุษย์พูนแลว้ว มันเซกินจนสุดขันสัวปีปลายคอยเสียดลาผมหอมน้อยสิบวอยแม่นเข้าปานอ๋อ อ, อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออออันผมหอมอานโย่งสูงสุดเสียดฟ้าเดินลายพอแพง โลกอยากเส้นพอสิฝากกับแห้งขับแกงเออมาหาแพงเอือยอยากกินปลาไหนวังสิฝากกามาตอ่อนผุดซ่อนเดินดวงดาวอยู่เขาค่วงกินควยแพงเอือยผ้พาพลังอยุ่ยยุย้ยฝุย่นสางหนกมื่นพันนั่งผมหอมพ้านั้นให้เจ้ายูสุขชีด้น้อยสบายดีเด้อครับสิครับมาคอยจง้งฟังเสียงเลอะไรห้องเป็นแพงลองขับก้อง อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อสัตยาเป็นโ ม, มอมมีพอมคู่สุดแนวขอาาลาเดลอกแก้วส้างใหญ่ดอกไพศาลพาไปน้ำสามเดือนจังสิง้อขึ้นโคงอยู่ในห้องของสร้างหอปังหลังใหญ่คำเอื้ออัอนควมเจ็บสิบอได้กควมไรสิบอมี รลอดทองสั่งพนีสิมีโสกมีมานคำเอ้ยมาสาดาผมหอมให้รลอดตรงทางทองสิบามีไพ่ต้องน่งผมหอมลอดทองออผ่อนหอมหอมเอ้ยโสกสิแขนน้อจอกกอ มาโฮมต้าแต่พานงออออออออเออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ